ในพวกเราดูตัวตราในการทำประกอบคุณงามความดีของพวกเราเอาต่อนี้ไปหลวงพ่อเป็นผู้พานำสมาฐานสิลนะโมตัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะซีเลนะนิพุติยันติตัตสมาซีลังวิโสทายเอาต่อนี้ไปตั้งใจฟังหลวงพ่อจะได้กล่าว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 ถ้บุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราแล้วนั่นแหละเราคิดเรานึกคิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็สบายใจเหมือนกับท่านพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพแต่ก่อนท่านก็ไม่ได้ตัดทุกวันไม่ได้ภาคภูมิใจแต่พอท่านได้ตัดกิเลสออกจากพระไทยของพระองค์แล้วพระองค์ประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราแล้ว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 อันไหนมันผิดอย่าทำถ้ามันทําลงไปแล้วนะ่ะมันจะเป็นมนทินเอเรามองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันเป็นมนทินสําหรับตัวของพวกเราเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกพวกองนะฝ่ายพระก็ดีฝ่ย า, ายครวญญาติโยมก็ดีกรรมที่มันไม่ดีและอย่าทำในครั้งพระพุทธเจ้าของเรานะเ อ, อในครั้งพระพุทธเจ้าของเรามีพระกลุ่มหนึ่งเจ็ดองนะไปเที่ยววิเวกในป่า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 พอตกอยางแดงภูเขามันสไลด์ว่ะเนี่ย ก, ก้อนหินน่ะก้อนหินนี่อยู่ในหน้าถ้ำมันสไลด์ลงมาปิ ด, ปดอปิดหน้าถ้ำพอปิดหน้าถ้ําต่ิีพระเหล่านั้นก็ออกจากถ้าไม่ได้อ อ, ออกจากถ้าไม่ได้ชาวบ้านเขาก็เข้าไปแล้วไม่รู้จะเอางัดก้อนหินได้ยังไงเพราะหน้าก้อนหินก้อนใหญ่มันปิดหน้าถ้อพอในที่สุดก็เลยพระเหล่านั้นก็เลยอยู่ข้างใน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 เขาก็ใส่ก้อนหินลงไปใส่ทรายลงไปของหนักๆใส่ในในในกระป๋องนั้นจากนั้นเขาก็เอาเชือกมัดมัดลวงกระป๋องนั้นพอมัดเสร็จแล้ว ก, ก, ก็มัดคออินางนี่แล้เหมือนกันพอเสร็จแล้วก็กปล่อยกระป๋องลงไปในพื้นทะเลอินางนี่ก็จุมลงไปมันจะขึ้นได้ยังไงเพราะเอาเชือกผูกคอเลยใช่ไหมอินางนั่นก็คงจชนนั้นเป็นอาหารของปลาต่อไปพอ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 พระพุทธองค์พระทรงแล้วนันก็บอกว่าพวกข้าพระองค์หยุดไปติดอยู่ในถ้ำเจ็ดวันแล้วก็กาบิบินในอากาศถูกย่ามเผาแล้วก็มีนายชผาเอาถ่วงลงน้ำทะเลน้ำในแม่น้ำมันเป็นยังไงหนอไปเจ้าข่าพระพธองค์ว่ากรรมฟังนะานนีกรรมคือการกระทำเพราะตัวเองในกระทาในอดีต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 มาเลี้ยงทิ่ตะวันตกเจ็ดวันแลวตะวันพลางตะวันออกมันหญ้ามันก็ถอนยอดป่งยอดขึ้นมาแล้วเอาวัวมาเลี้ยงทางตะวันออกคือสลับไปสลับมาอย่างนี้แหละในหมู่บ้านนั้นแต่วันหนึ่งเด็กเลี้ยงวัวไปเลี้ยงทางทิศตะวันออกไปแล้วไปเห็นตะกวดคือแลนมันวิ่งเข้าจอมปลวกทีนีพอวิ่งเข้าจอมปลวกที่นี่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 เพราะมันหิวอาหารพอแรงเลยมันก็เดิดออกมาแบบฆ่าก็ฆ่าจะฆ่าให้ตายก็ฆ่าฆ่าหิวแล้วเกินมันคงจะว่าอย่างงั้นอ่ะพวกเด็กทั้งหลายโอ้น่าสงสารมันวะมันออกมาแบบไม่กลัวนั่นเลยมันคงจะหิวมากจะไปฆ่ามันเรื่อยๆฮก็เลยปล่อยให้มันไปเด็กเหมือนก็เลยไม่ได้ฆ่ามันมันก็เลยไปตามอิสระของมัน นี่แหละอันนี้ก็คือถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายได้ฆ่ามันนะพวกท่านคงจะตายเอันนี้พวกท่านไม่ได้ฆ่ามัน น, นี่แหละกรรมกรรมของท่านทั้งหลายได้ปิดลูลูลูตะกวดเอาไว้ในอดีตในอดีตแต่ชาตินี่แหละพวกเธอทั้งหลายได้ใช้กรรมนี่แหละอันนี้คือกรรมพระพุทธองค์พูดถึงกรรมคือการกระทํากรรมชั่วจะทำซะเลยดีกว่ากรรมชั่วเมื่อทำปรงไปแล้วกรรมชั่วให้ผล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 สบายใจความสุขความเย็นใจในเมื่อเราเกิดในภพภูมนนินั้นๆเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้คิดเอาไว้ว่ากรรมชั่วนะอย่าทํำเฉลยดีกว่าอย่างที่หลวงพ่อได้ย้ําแล้วย้ําอีกเพราะนั้นตายแล้วไม่สู่อนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงพวกเราทําดีพวกเราไปสู่สวรรค์ไปสู่ความสุข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 สมมติฐาคือทำจิตใจอ ย, ย่างไงจิตใจสงบอย่างไรวิปัชนาจะพิจารณาอะไรจึงจะถอดถอนกิเลสภายในจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เราต้องศึกษาในรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคณ า, าจารยโยมพระเนรลูกหลานแต่พวกเราก็ได้ศึกษามามากแล้วละ่ะแต่การศึกษาจุดนี้มันมีไม่มีที่สิ้นสุดนะ